แต่ <gn> เดียคำของกุญแจมาฟังบ้งแล้วทำที่เราสถาโกดได้ตัถรูปจ้าที่สามัญชนคนธรรมดาจะทำได้ต้องเหนือจากคนธรรมดาดิเขาสี่วอกกันมาอยู่ไหนบางคนเห็นเห็นต่ค้นเหรผมนั่งว่าได้ใจวุ่นไหยนั่นเห็นไหมอดใจได้เป็นพระกอดเอาเห็นตัว ไม่จะกดอากเลยว่ามีสมาธิปัญญาพระก็บพกใครบอกมิใจะบอกก็ต้องกดน้องไซบาทในบมื่อแต่งานตอนไหนว่าฉันโดนก็อเหลียใส่เอาถุงใส่ร้อมต็วสมมือพระแต่มีถุงความนี้สมมือไม่จะมีตาบาดด้วเพราะอย่งหละพระลูกหลายคนโยมมิจะขังเป็นแล้วกนยังรูกเฮยโยมยากก็ยากนี่ก็เดียเอาเด็กน่อยมาเลี้ยงอีก เดี่ยวว่าทำภาษาทั้งโลกงาปู่พ่อเอาลูกหลานมาเรียนเฮ้ยก็เป็นหลงลุงบานนี่นี่เอาเรียนกุ้งดยบ้นานรักษาใจยารักษาใจบัได้ซื้อทเบังลุเขาลุงบอกอยากให้สอนคนไหนบังอันนี้รักษาใจได้ไปทูตสวรรค์ไปสูปปนิพัานบ่ได้มาเกิดอีก รักษาหล oh, ังกายรักษาหายแล้วยังอยู่ทีตายรักษาไม่ไปหลังแล้วก็ยังอยู่คือตายตายแล้วดีกว่าีเกิดอีกแก่อีกเก็บอีกตายอีกทุกอีกปุ่นจักทุกักชาติผู้บันนี้มาถูพบนี่ต้นต้เอารักษาใจนะพอเกิดพอแก่พอเก็บพอตาย กุขสนจงพกว่องคุ้มคล้องเอาคนในเรื่องโรกหลานอัสนาลงภูลงปอมาบานและทรงเลยเป็นพี่เด็กเป็นมงคลมุขสนสิบพวกเข้าเห็ุทําเหนือนี้มุขสนของคุณกุทําประสงค์ลงูลงปอได้ปฏิบัติมาแล้วจงพกวองคุ้มค้องเอาคนในเรื่องโรกหลานจงมีแต่คนทุกคนเลื่อนทุกกายสุกใจจะเลริญในธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจะจงมีดวงคิดดวงใจได้เห็นศีลหนธรรมมักผลใพานในปัจจุบันในชาตินี้เ้าา ผมถวายข้าน้ามันหลวงพ่อข้ามนกับผมอันนี้ละพบพติดลังจัหนอยข้าวโดเยว์อืม่ดีแล้วอนี้หละขาวปวดข้าวกดขากระเดินยึดประตูดีๆกัเงียบเป็นเน๊จันทิยงเขตมาแล้วเป็นไรเป็นไงกับพังโรกับพานมาเราก็เอาทั้งนี้นี่แล้วจะให้ได้ดิคว่ามันจุดนี่ เฮ็ดไปรอดเดี๋ยวว่าเฮ็ดเนี่คันเนคุณเจ้ามโนสอนดราก่าสันเก็ดไปไปนี่ใส่ปานี้ใส่เป็นวาสนาเป็นบารมีก็เป็นช่ำหนีจำานไป